ยมกกะหนึ่งปัญญติวาระอุเทศหนึ่งอินซียี่สิบสองคือหนึ่งจากขุนศีสองโสติน4ีสามคานิน4ีสี่คิวหิน4ีห้ายิน4ีหมนิน4ีเจ็ดอิฐหิน4ีปดปุริศิน4ีกาชีวิติน4ีสิบสุขิน4ีสิบเอ็ดทุกขิน4ี 12. โสมนสินรียิบโทมนสินรียิบสอุเปขินรีสิสัตถินรียิบวิริยินรียิบสัตถินรียิบสมาธินรียิบปัญญินรียี่อนัญญาตัญญสามีทินรียี่อัญญินรียี2อัญนยตาวินรี หนปะทะโสธนะวาระอนุโลมสองจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมจักขุนสีเป็นจักขูใช่ไหมโสตะเป็นโสตินสีใช่ไหมโสตินสีเป็นโสตะใช่ไหมคาณะเป็นคานินสีใช่ไหมคานินสีเป็นคาณะใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหินสีใช่ไหมชิวหินสีเป็นชิวหาใช่ไหม กายเป็นกายยินรีใช่ไหมกายยินรีเป็นกายใช่ไหมมโนเป็นมนินรีใช่ไหมมนินรีเป็นมโนใช่ไหมอิทธิเป็นอิทธินรีใช่ไหมอิทธินิสีเป็นอิทธิใช่ไหมปุริสะเป็นปุริสินรียีใช่ไหมปุริสินรียีเป็นปุริสะใช่ไหมชีวิตเป็นชีวิตินรีใช่ไหมชีวิตินรีเป็นชีวิตใช่ไหม เป็นสุขินสีใช่ไหมสุขินสีเป็นสุขใช่ไหมทุกเป็นทุกขินสีใช่ไหมทุกขินสีเป็นทุกใช่ไหมโสมนัสเป็นโสมนัสสินรีใช่ไหมโสมนัสสินสีเป็นโสมนัสใช่ไหมโทมนัสเป็นโทมนะสินรีใช่ไหมโทมนะสินสีเป็นโทมนะใช่ไหมอุเบกขาเป็นอุเบกหินสีใช่ไหมอุเบกหินสีเป็นอุเบกขาใช่ไหม สัทธาเป็นสัททินสีใช่ไหมสัทถินสีเป็นสัทธาใช่ไหมวิริยะเป็นวิริยินสีใช่ไหมวิริยินสีเป็นวิริยะใช่ไหมสติเป็นสัททินสีใช่ไหมสัททินสีเป็นสติใช่ไหมสมาธิเป็นสมาทินสีใช่ไหมสมาทินรีเป็นสมาธิใช่ไหมปัญญาเป็นปัญญินสีใช่ไหมปัญญินสีเป็นปัญญาใช่ไหม อนัญญาตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญญสามิจินรีย์ใช่ไหมอนัญญาตัญญสามีตินสีเป็นอนัญญาตัญญสามิติใช่ไหมอัญญะเป็นอันยินรีใช่ไหมอันยินสีเป็นอัญญาใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมอัญญาตาวินรีเป็นอัญญาตาวีใช่ไหมปัจเจเนกะสสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุ ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุนสีไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตินรีไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคาณะไม่เป็นคานินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานินสีไม่เป็นคาณะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวหาไม่เป็นชิวหินสีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายยินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายยินสีไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนินรีไม่เป็นมโนใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทีไม่เป็นอิทินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทินสีไม่เป็นอิทีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริจะไม่เป็นปุริสินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสินสีไม่เป็นปุริจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตินสีไม่เป็นชีวิตใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขหินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขหินสีไม่เป็นสุขใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินสีใช่ไหม สภาวธรรมที่ okay? iner, ไม่เป็นทุกขินิสัยไม่เป็นทุกใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสินสีช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสินสีไม่เป็นโสมนัสช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัตไม่เป็นโทมนัสินสีช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสินสีไม่เป็นโทมนัใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นออเบคขาไม่เป็นโอเบคหินสีช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขินรีไม่เป็นอุเบกขาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธาไม่เป็นสัจทินรียใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจทินรีไม่เป็นสัทธาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยินรียไม่เป็นวิริยะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสัจทินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจทินสีไม่เป็นสติใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินรี์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธินรีไม่เป็นสมาธิใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญินรีไม่เป็นปัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีจินทรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีจินรี ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาไม่เป็นอัญญีสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญีสีไม่เป็นอัญญะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นัญญาตาวีไม่เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นัญญาตาวินสีไม่เป็นัญญาตาวีใช่ไหมสองปัทสโธนะโมระจักะวาระอนุโลมสี่จักขุ เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นโสตินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นคานินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นชิวหินสีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นกายินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นมะนินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหม อินทรียเป็นอิทธิฉินสีใช่ไหมจากขุเป็นจากขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นปุริสินสีใช่ไหมจากขุเป็นจากขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตินสีใช่ไหมจากขุเป็นจากขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นสุขหินสีใช่ไหมจากขุเป็นจากขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นทุกขินสีใช่ไหมจากขุเป็นจากขุนสีใช่ไหม อินทรีย์เป็นสมณสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโทมนสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเบกขินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจัตถินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหม อินทรีเป็นสตินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีใช่ไหมอินทรีเป็นสมาทินรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีใช่ไหมอินทรีเป็นปัญญทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีใช่ไหมอินทรีเป็นอนัญญาตัญญสามีอินทรีใช่ไหมจักขุเป็นจักขุนทรีใช่ไหมอินทรีเป็นอัญญทรีใช่ไหมจักขุ เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมหโสตะเป็นโสตินสีใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมโสตะเป็นโสตินสีใช่ไหมอินรียเป็นัญญาตาวินสีใช่ไหม 6. กคานะเป็นคานินสีใช่ไหมอินสียเป็นจักขุนสีใช่ไหมคานะเป็นคานินสีใช่ไหมอินรีย์เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหม เชิวหาเป็นชิวหินสีใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมชิวหาเป็นชิวหินสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหม8ปดกายเป็นกายยินสีใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมกายเป็นกายยินสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหม9มโนเป็นมโนนินสีใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหม มโนเป็นมณินทรีย์ใช่ไหมอินทร์เป็นัญญาตาวินทร์สีใช่ไหมสิบอิทธิเป็นอิทธินทร์ีใช่ไหมอินทร์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอิทธิเป็นอิทธินทร์ีใช่ไหมอินทร์เป็นัญญาตาวินทร์สีใช่ไหมสิบเอ็ดปุริจจะเป็นปุริสินทร์สีใช่ไหมอินทร์เป็นจักขุนสีใช่ไหมปุริจจะเป็นปุริสินทร์สีใช่ไหม อินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมสิบสองชีวิตเป็นชีวิตตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมชีวิตเป็นชีวิตตินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมสิบสามสุขเป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมสุขเป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมสิบสี่ ทุกเป็นทุกขินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมทุกขเป็นทุกขินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมสิห้าโสมนัสเป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมโสมนัสเป็นโสมนัสสินสีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมสิบหกธอมนัสเป็นโทมนัสสินสีใช่ไหม อินทรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมโทมนัสเป็นโทมนัสิศีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญากาวินศีใช่ไหมสิบเจ็ดอุเบกขาเป็นอุเบกศีใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนศีใช่ไหมอุเบกขาเป็นอุเบกศีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหม18ดสัทธาเป็นสัทธินศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหม สัาเป็นสัจทินรีใช่ไหมอินรีเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมสิบก้าวิริยะเป็นวิริยินรีใช่ไหมอินรีเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิริยะเป็นวิริยินรีใช่ไหมอินรีเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมยี่สิบสติเป็นสัจตินรีใช่ไหมอินรีเป็นจักขุนสีใช่ไหมสติเป็นสัจตินรีใช่ไหม อินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมยี่สิบเอ็ดสมาธิเป็นสมาทินสีใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมสมาธิเป็นสมาทินสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมยี่สิบสองปัญญาเป็นปัญญินสีใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมปัญญาเป็นปัญญินสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหม 23. อนิญสาตอานันยตาสามีติเป็นอนัญาตัสา Discord, าญ ส, อนอนาตสามิตินทรีย์ใช่ไหมอินรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมอนัญญาตัญสามีติเป็นอนัญญาตัญสามีตินทรีย์ใช่ไหมอินรียเป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม24่สอัญยะเป็นอันยินรีย์ใช่ไหมอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอัญยะเป็นอันยินรีย์ใช่ไหมอินรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม ยีห้าอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินส네ีใช่ไหมอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมอินรียเป็นอัญยินสีใช่ไหมปัจจเนิกะยี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจกักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีย์ไม่เป็นโสตินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหม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 สภาวธรร ม, ม, ท, ท, ม, ม, ท, ท, ม ท, ที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจ like ักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมยี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นคลาณะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมยี่สิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินรีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมสาสิสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายยินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินศีใช่ไหมสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมณีศีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นัญญาตาวินทรีใช่ไหมสาสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทธไม่เป็นอิทินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นัญญาตาวินทรีใช่ไหมสสสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริชะไม่เป็นปุริสินรีใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหม36สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ผิดสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมสาสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสผิดสีใช่ไหม สภาวธรรมที ario, <lls. S 1> <threatening S 2> ่ไม่เ <trending> ป <anytime. S 2> ็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหม38สภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสสินศีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนศีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินศีใช่ไหมสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอเบขาไม่เป็นโอเบขินสีใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมสี่สสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นศรัทธินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมสีสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวิริยินรีย์ใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักผลสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหม 44. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักผลสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหม 45. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติ ไม่เป็นอนัญญาตันยสามีอินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรียไม่เป็นอนญาตาวินสีใช่ไหมสี่สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอญยะไม่เป็นอันญินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีย์ไม่เป็นจากขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินรีย์ไม่เป็นอนญาตาวินสีใช่ไหมสี่สิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมสสุทินทริยวาระอนุโลมสี่สิบแปดจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมโสตเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินรีย์เป็นโสตินรีย์ใช่ไหม ภาณะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นภาอินทรีย์ใช่ไหมชิวหาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชิวหินทรีย์ใช่ไหมกายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมมโนเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นมนินทรีย์ใช่ไหมอิทธีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอิทธินทรีย์ใช่ไหมปุริจะเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นปุริสินทรีย์ใช่ไหมชีวิตเป right ็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสุขินทรีย์ใช่ไหมทุกข์เป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมโสมนัสเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสมนัสสินทรีใช่ไหมธโมนะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นธโมนะสินทรีย์ใช่ไหม อุเบกาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอเบกขินทรีย์ใช่ไหมศรัทธาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมาทินทรีย์ใช่ไหมปัญญาเป็นอินทรียใช่ไหม อินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมอนัญญาตัญญาสมีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอนัญญาตัญญาสมาติอินทรีย์ใช่ไหมอัญญะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญอินทรีย์ใช่ไหมอัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมปัจจีนกะ๔๙สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมนอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่มีอิทธิไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทธิอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริจะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม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 สภาวธรรมท th am, ilee, inside, m m ี ah ่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมสสุทินทริยมูลจักรวาระอนุโลมห้าสิบจักขุรเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมจักขุรเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นคาณินทรีย์ใช่ไหมจักขุรเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นชิวหินรีใช <to> э <ami> ่ไหมจากผุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมจากผุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นมณินทรีย์ใช่ไหมจากผุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอิฐหินซีใช่ไหมจากผุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นปุริศินทรีย์ใช่ไหมจากผุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นชีวิตกินทรีย์ใช่ไหม จักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสุขขินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมณสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นโทมนสินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นอุเบกินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรียเป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นสัจตินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นสมาตินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์ใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีใช่ไหม อินทรีเป็นอนัญญาตัญญาสมาตรินทรีใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นอัญญีินทรีใช่ไหมจักขุเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นอนยาตาวินทรีใช่ไหมห้าสิบเอ็ดโสตะเป็นอินทรีใช่ไหมอินทรีเป็นจักขุนทรีใช่ไหมอินทรีเป็นอนยาตาวินทรีใช่ไหมห้าสิบสองคานะเป็นอินทรีใช่ไหม อินทรีเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินสียใช่ไหมห้าสิบสาชิวหาเป enfin ็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินสียใช่ไหมห้าสิบสี่กายเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินสีย์ใช่ไหมห้าสิบห้ามโนเป็นอินทรีใช่ไหม อินทรียเป็นจักขุนศีใช่ไหมอินทรียเป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมห้าสิบหกอิทีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินศีใช่ไหมห้าสิบเจ็ดปุริสะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินศีใช่ไหมห้าสิบแปดชีวิตเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินศีย์ใช่ไหมห้าสิบเกสุขเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมหกสิบทุกข์เป็นอินทรียใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมหกสิบเอ็ดสมณัตเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรีเป็นจักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหม 62. โทบมนัตเป็นอนนนินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมา63าอุเบกขาเป็นอินทรียใช่ไหมอินทรียเป็นจักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญานตาวินรีย์ใช่ไหม 64. ศิบสธาเป็นอนนินทรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นจักรนวรศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินรีใช่ไหมหกสิบห้าวิริยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุวรศีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินรีใช่ไหมหกสิบหสติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินรีใช่ไหมหกสิบเจ็ดสมาธิเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมหกสบปดปัญญาเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหม69อานันยตาัญญัสมีติเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมอินทรีย์เป็นัญญาตาวินสีใช่ไหมเจ็ดสิบอัญยะเป็นอินทรีย์ใช่ไหม อินทรีย์เป็นจกักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมเจ็สิบเอ็ดัญญาตาวีเป็นอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมอินทรีย์เป็นอัญญินรีย์ใช่ไหมปัจเนียกะเจ็สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญีตรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมเจ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตตไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนตรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม เจสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ ah ไม่เป็นจ ah ักขุนซีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมเจสบสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนซีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมเจ็สหก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 สภาวธรรมที่ไม่เป sí ็นอ <t> ิทธิไม <ounce> ่เป็น <t> อินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนศรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรี์ใช่ไหมเจ็สิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนศรีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมแปดสิบ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นัญญะไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากผลสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหม9กสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอินทรีย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากผลสีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญีย์ใช่ไหม ปัญญาติวาระอุเทศจบ